พ, พุญาโเมทุกท่านได้ไปฝังแล้วก็ก า, ารทำรัตตานวันนี้ควรจะได้พูดธรรมะให้พวกเลาได้ฟังและนำไปปฏิบัติวันนี้เป็นวั น, นที่สุบที่สิบปฏิบัติธรรมะ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 ว้าสงนี่อก็เลมากสงบรต่ไม่ให้สงบอันนั้ก็สงบบางคนไม่สงบไม่สงบตจ้งการคนสงบลุกตัวไปอยู่คนนองคนเดียวอันนั้นก็สงบแต่ไม่มีทีจรณาในตัวเองนะความสงบที่ผมจะพูดนี่รู้อย่างผู้รู้ความสงบนี่คือหมายถึงว่า เราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดคือไม่ต้องการหาครูหาอาจารย์ทั้งหมดและไม่ต้องหานิพพย์อื่นใดทั้งหมดมาปฏิบัติเพราะเรารู้หือว่ารู้อย่างพนูนรยกว่าสมุกแล้วสงบก็แปลว่าหยุดอื่นเอหยุดหาครูหยุดาหดาอาจารย์หยุดหาวิธีปฏิบัติหยุดหาสถานที่เหลือหยุดหยุดกับเ้า ตรงวางทั้งหมดในวันจุดเมื่อจุดเมืเอ่อโปงเมืเอมเอมเอม่อเศราแล้วก็เรียกว่าสงบอันนี้เป็นคนสมสบที่อย่างผู้รู้ก่ที่จะสงบอย่างนี้เป็นอย่างนี้มีวิธีการวิธีการก็หลายผมได้ทำมาแต่เมื่อสมัยยังไม่เลยทำพโทุโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ นึดออกพระพุทธเจ้ามาไว้ในหัวใจของเราหลอกจากนั้นก็ทำสัมมาอานาหารีสองสามรู้ความรู้อานาปานาจติหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวเล็งหยาบเล็งละเอียดดีมันมันนิ่สงบเต่ไมันสงบแต่มันไม่รู้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 โลกทางทจิตใจโลกทางวิญญาต้องเจริญสติตเริญคมรู้สึกว่ายา อ, อยาไม่ขาดทุกข์อท่าเหมือนกันให้รู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วอันนั้นในจิตใจมันเป็นโลกมันไม่สงบจิตใจรู้สึวญญามันเป็นโลกนึ่รู้จากอันนี้แล้วพรู้จักผูกขังอันนี้จังอ น, นั้นาน่นจังสมมติสมมุติในโลกนี่รู้ให้ครบ ให้จบให้ก็นรู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวผีเทวดานั้นลลกสวรรค์บาบนูนอะไรรู้ให้หมดทุกย่างเม่อรู้อันนี้แล้วก็สงบขึ้นมานี่ว่ามีตาทิพกะได้มีหูทิพกะได้ะอะไรรู้ศาสนาศาสนานี่หมายถึงทั่วไปศ า, าสนาเป็นแต่ว่าคำ ส, สอนของท่านผนี้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 ใจดีเตยยังไม่เนลักษณะลักษนะโดยใจผมคนหลงมขึ้นยไม่เป็นลนนักษณะใจดีหรือได้ดีใจเมื่อดีใจแล้วบริสุทธิ์ปีติขึ้นมาเมื่อปีติเกิดขึ้นมาก็ลลหลงแล้วหลงชีวิตเราแล้วผก็เลยไปติดผมตกเยนเข้ามาผมกิมาเลือดจักผมติดตัวเองเตย เมืม่อผมคิดตัวเองแล้วดูความคิดสองสามครั้งนะผมก็เลยเลืกจากผมรูเ้เข้าใจวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มนอยู่ในโลกก็เรียกว่าวัตถุแลื่เมื่อเข้ามาในตัวเราก็หมายถึงตัวเราเนื้อหนังทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในตัวเราเรียกว่าวัตถุ เรานจิตใจเรานกเราคิดคิดอาก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันคิดก็เรียกว่าวัตถุเนี่ยเปอย่างนั้นแต่และนั้นก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกที่ตาเห็นหร้อเห็นฟังประสบการณ์อยู่ใน ท, ทันทีในขณะนยยั้นเรยกเป็นปัมจตมแต่ละมาถึงตัวเราก็เหมือนกันกาลังราบประสบการ์กออย็ยกเป็นปะะมัม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 เป็นปมามมัิแท้ๆอันนี้การปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติเพื่อให้ยามปัญญาเกิดขึ้นไม่ว่าวิปัสนาญาแต่คนอื่นนั้นทำยามใดก็ได้แต่สำหรับตัวของผมทำอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้ก็เลยแก้ปัญหาการขัดแย้งภายในจิตใจของผมได้ผมจึงนำวิธีนี้แหละมาแนะนำ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 ปฏบัเพื่อลดมานะลดทิกฐิลดคนเห็นเต็มตัวทัในใหดจึนว่าลดเราไม่รู้ไม่ถือเมืเห็นอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเมื่เต้นทางเดินไปหาพระพุทธเจ้าเป็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราเห็นเรารู้ถ้าทําอยู่ที่ไหนเราเห็นเรารู้พระสงอยู่ที่ไหนเราเห็นเรารู้ วิดามาดาของเราเราเห็นเรารู้เพราะเรามีตาทิพเพราะเรามีหูทุพเพราะเราปฏิบัติตามสิ่งต่างหมายทิพย์ตัวเิ็นถูกต้องเห็นตัวเรากําลังทํำกําลังทุกกําลังคิดนี่เองเตียงก็เลยอยากเป็นปฐมฌานเป็นผู้ปิญญาฌานเป็นตติญาฌานเป็น ว่าเป็นพระสารเป็นปัญจมาสารไปอย่างนั้นวันนั้นในขนาดช่วงนั้นจิตใจผมเปลี่ยนสองครั้งผมรู้จักเป็นมากเป็นผลขึ้นมาจริงๆก็เลยเห็นทางไปเป็นทางไปไม่ใช่เป็นทางเหมือนทางรถเดินเป็นทางทางทจิตใจจิตใจมันเป็นทางเหมืนเห็นเหมันรู้เหมืนอนเข้าใจอย่างนี้น เรับประกรรคาโพูดของตัวเองได้รับประการคำโค้กของพระพุทธเจ้าได้เป็ น, น, นและเขาเลยมานอ น, เ ด, นเดินแล้วเขามานอนนอนมาตกต้อยเฝ้ามาผมก็เลยมาทำจังหวะวางหน้าเป็นฝันในทำจังหวะเดินจริงๆผมก็เห็นกระฮาบตัวหนึ่งแลนท่านหน้าของฝ่า ผมเอาเทียนไขตามไปไม่เห็นเพราะผมพูดจาหานน่าเห็นโลิติขัดน่เห็นแล้วก็เอาเทียนไขมาสร้างไว้ที่เดิมก็เลยเลเห็นเข้าใจ ส, สิง่งก็เปปกติเมื่อเรามีปกติแล้วจิตใจมันนกมันคิดก่อนตั้งรู้มีใครพูดอะไรก่อต้องรู้เพราะเรามีปกติ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 ถ้าปฏิบัติถูกต้องถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่หรือสำหรับตัวของผมคนอื่ไม่จะองตียังไงในรูปผมไม่มนำมาเล่าสียฝั่งวันในผมเพราะต้องการวงปิ่นโรซาฝังเื่อทุธรมเนรและญาติเพื่อสนใจสิ่ง้เป็นวยธีที่ผมนำเอามาใช้กับทีของผมไม่ได้จาก ธารมกรรมฐานที่ปรินาภาวนาเลือกทางกันแล้วก็หลยรู้คนเราทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคือผู้มาบ่อยๆอันนี้ก็หยากไปเป็นรกจึงเห็นสัตว์นรกจริงๆเห็นสัตว์นรกเห็นเต่เนสัตว์เวลาสารเห็นอาุนลกายนี่จริงๆจะไม่ใด้กายเห็นใจมันเห็น ใจมันรู้ใจมันเข้าใจไปเลยเารีว่าทางเดินแต่สายด้วยกันไม่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องคุณการทําบุญเช่นทําบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างนี้แล้วก็เห็นคุณค่าของหัวเป็นคนแล้วก็รู้สวรรค์โลกอมมะโลกนิพพาน นี่เป็นทางไปห า, าพระพุทธเจ้าจริงๆไม่รู้อันนี้เห็นอันนี้เข้าใจอันนี้เลยเรียก ว, ว่าสภาพรวมเป็นอดียวอันนี้ม่พานเนี่ยคงเลยมากเข้า ใ, ใจกับร่างายแล้วมิอมิพานแต่ควรื่อนนิพานนัน้นมีอยู่ในครอบตูบของทุกคนเราไม่เคยรู้มัอนอย่างนี้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 ตอนที่มันเข้าสู่สภาพแลภาวะของมันนี่มันแห้งมันตื้นเหมือนกับสำลีไม่ถูกน้ำนี่เองเหมือนแห้งนี่ผมเคยเปรียบเอาไว้เหมือนกับเด็กเด็กอน้อเดิกคือเยื่องลูกจะลูดีแต่พวกก้นมันไม่เด่พอเราเอาเัินไปเตะมันตื้นเข้าทันทีเลยตื้น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 ดดนเข้าไปในป้อมันยกเทาใหญ่อัดตัวมันไว้เข้าไปต้ม ไ, ไปเอาเส้นไหมเนี่ยวแบนี้ตัวมันหกเขา้ามันเป็นยางไงอันนี้สภาพของจริงพวกคนหนีไม่พ้นหนึ่งอันนี้เ่าควรศึกษาหาพระแบบนี้ถ้าไม่ศึกษาหาพระแบบนี้แล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลา ที่จะพบไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะเห็นพระพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าต้องเป็นสภาพอย่างนั้นผมเข้าใจอย่างนี้เช่นว่าผมกล้าับรองว่ า, าพระพุทธเจ้รรมจ า, ามีสิ่งพระธรรมพระสูตรมีสิ่งโลกสวรรค์มีสิ่งเอเซเบลลาร์ซานมีสิ่งเต็มเฉพาะบุคคลผู้ที่รู้ ไม่ใช่จิียเฉพาะบุคคลผู้ที่ไม่รู้รูอ้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้ ร, รู้ให้เราเรืงจริงๆใ้เราื่อสภาพเช่นนี้เลยครับผมก็รย้ในปัญหาการแก้ปัญหาของชคคนแก้เก้อที่ตรงนี้ใม้เราให้ทานรักษาสินงอินเตยก็ดีอั น, นั้นกแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฆ่าคนให้ตายพระพุทธเจ้ามีเทนคนิคมีโกลไกมีนิพพิฆ่าคนเม่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยญาติโยมเพื่อนฝูงบางคนไม่เข้าใจหาว่าผมนี่พูดผิดอันนีก็ผิดจริงๆผิดกับของบุคคลพู้ที่ไมรู้พระพุทเจ้าสอนคนให้คนหมดไปให้เหลือแต่พระล้วน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 คนต้องมีนิพานเลแต่ไม่เอานิพานมาใช้เท่านันเองเพราคนไม่มีปกติจิตไม่รู้จักนิพานคนไม่ีปกติมันจะรู้อะไรจิตใจมนุษมันคิดมันไม่รู้คนมีปกติแล้วจิตใจมนุษย์มอนคิดมันก็ต้องรู้เพราะมันเข้าสู่สภาพของมันแล้วอันนี้เป็นวิธีที่โกลไก ที่ผมนํมามลาให้ฟังวิธีของมันนีต้องนี้ต้องคิดอะไรให้หาามากทานปวงลี้สึบตัวให้มากแตย่าไปอยู่กับจิตใจที่มันนึกนให้อยู่กับผวงลู้สิบตัวนี้เองอันนี้ทุกคนต้องประสบถ้าเป็นผู้น้อยก็ประสบต้องเป็นต้องมีถเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องประสบต้องเป็นต้องนี ถ้าสง อ, องเจ้ากว่เจประสบต้องเป็นตังนี้ผู้หญผู้ชายกว่าเจ้าประสงต้องเป็นตรงนี้นนนให้ว่าคนนี้เคยถามคนมาหลายคนแล้ว่ใครให้ฟีเสียงเรียงนา ม, มาคําว่าคนถามมาปริยายเอกเขาว่าด็อกเตอร์เขถามมาหลายคนแล้วพวกเรียนบาลี ดังนั้ น, นทำตีโทยเอกเป็นมหาบาดีเป็นมหาประเยียนประโยคสามสี่ห้าหกคืถามมาแล้วนม่มีใครให้ความสวา่างคงกระจ่างแจง้งภายในใจิตใจแม้คุณเดียวเรื่องเราผมมาทำอย่างนี้เลยเกิดความรู้ความเห็นควาเข้าใจคงกระจ่างแจง้งภายในจิตใจของผม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 แู้อย่างผู้รู้แู้คืออย่างพระพุทธเจ้ารู้แู้แก้ปัญหาตัวเองได้รู้เลิกแก้การขัดแย้งภายในจิตใจตัวเองได้ไี่แก้ปัญหาการขัดแย้งภายในจิตใจตัวเองได้นน ค, าาดนไดคนอื่นคงยู่เหมือนกันก็เลยรู้จัว่าพินิจศัตราโลกเอศัตรเวลสาไม่มียอยู่ที่ตัวเรา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 เป็นภาพผมฉนั้นฉันนี้อันนี้นขนเข า, านึดเป็นจุดกระธิฐานโดยนั้นพวกเราฟังธรรมาต้องฟังให้ต็มฟังแล้วจับใจควมให้ได้นำไปปฏิบัติเม้่อมรู้ผลมิผ่านนั้นในแล้วในคนทุกคนไม่ยกเลินถ้าผิดไปจากนี้แล้วก็แสดงว่าเมื่อถูกหลักพฤติการอันนี้ที่ผมนำมาเล่าสู่ฟังวันนี้ หลังจากการทมวัดเขาก็เห็นว่าสมควรถึงเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ผมและเพื่อนทุกสุขสมนหทุกท่านทุกคนญาติโยมทุกท่านทุกคนขอให้พวกเราได้ประพฤงดีปฏิบัติชอบตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสัต์ทั้งหลายเราผู้เป็นสถาคตัวถึงแลงแห่ง น, นั้นและจะนำมาสอนพกเธอทั้งหลาย ให้พบเธอทําไหลายเป็นต่อคูปฏิบัติตามอย่างเราจถาคตนี้กู้จะรู้จะกเหนจากพินจานมีอย่างเราตถาคานี้โห่ให้พวกเราทุกทุกคนเป็นกร ะ, ะสนุนพบเห็นเอารนยะเวลาใกล้นี้เป็นทุกทุคนเธอจันทร์